ทุกเวทนาอย่างที่ว่านี้ง่ายก็แก้ไขไปหาหมอหรือทำแผลใส่ยารอเวลาแผลหายตรงไปตรงมาก็จบแต่ถ้าเกิดไม่รู้ว่ากิ่งไม้ที่มันทุกตามธรรมดาของธรรมชาติแล้วมันทนอยู่ไม่ไหวก็หักตกลงมาโดนตัวเกิดไปสงสัยคนนั้นระแวงคนนี้ว่าคนไหนคิดประทุษร้ายแล้วจงใจขว้างกิ่งไม้มาจะให้เราเจ็บตัวหรือตายไป คราวนี้เลยคิดวุ่นวายมีโกรธมีแค้นมีคิดต่างๆนานาเริ่มไม่สบายใจและกดดันบีบคั้นลึกลงไปตอนนี้มีทุกขเวทนาพ่วงมาด้วยแต่ทุกใหญ่อยู่ลึกลงไปเป็นปัญหาของทุกขะอริยศสตร์ขึ้นแล้วคราวนี้เรื่องราวอาจจะใหญ่โตรหรือยืดเยื้อยาวนานทุกขะ อ, อริยศัสตว์มาพลอยให้ทุกขเวทนาขยายและยืดยาวแยกยื่นบานปลายออกไปได้เยอะแยะ อาจจะไม่จบได้พูดมาพอเห็นง่ายๆแต่ที่จริงทุกขอริยศัสตร์นี้เป็นเรื่องใหญ่เท่าไรก็ได้พาเดือดร้อนกันไปแม้แต่ถึงขั้นสงครามโลกก็มีพูดง่ายๆนี่ก็คือปัญหาของมนุษย์เมื่อมองให้ดีจะเห็นว่าแต่ก่อนนั้นมีทุกเดียวแต่ในตรลรักแต่พอมีคนมีชีวิตขึ้นมาทั้งสามทุกนั้น ทั้งทุกในไตรลักษณ์ทุกเวทนาและทุกขอริยสัตถ์ก็มากันครบเลยเมื่อมีความเข้าใจเบื้องต้นอย่างนี้แล้วก็มาดูหลักกันสักหน่อยตอนแรกก็สรุปที่ได้พูดมาได้สาระว่าทุกข์ปรากฏในหมวดธรรมสำคัญสามหมวดเรียงตามง่ายยากได้แก่ 1. ทุกข์ในเวทนาเวทนาสคือทุกสุขอทุก ข, ขมสุข หรืออุเบกขาหรือเป็นเวทนาห้าคือทุกขสุขโทมนัตโสมานัตและอุเบกขาเรียกเต็มว่าทุกขเวทนา2ทุกข์ในไตรลักษณ์ได้แก่อณิจังทุกขอนันตาเรียกเต็มว่าทุกขลักษณะสทุกในอริยสัจสได้แก่ทุกขสมุทัยนิโรธมรร เรียกเต็มว่าทุกขอริยาสัตว์ทุกในหมวดธรรมทั้งสามนั้นมีความหมายเกี่ยวโยงเนื่องอยู่ด้วยกันจะมีขอบเขตกว้างแคบกว่ากันเป็นบางแง่บางส่วนหรือเป็นผลสืบเนื่องต่อจากกันดังนี้ทุกที่มีความหมายกว้างที่สุดครอบคลุมทั้งหมดคือทุกข์ในไตรลักษณ์หรือทุกขลักษณะหรือทุกขตาได้แก่ ภาวะที่ไม่คงตัวคงอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้เพราะมีความบีบคั้นกดดันขัดแย้งที่เกิดจากความเกิดขึ้นและความเสื่อมสลายดังได้อธิบายแล้วข้างต้นซึ่งเป็นลักษณะของสังขารทั้งหลายทั้งปวงตรงกับบาลีว่าสัพเพสังขาราทุกขากินขอบเขตเท่ากันกับความไม่เที่ยงคือสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นก็เป็นทุกตรงกับบาลีว่า ยาานิจจังตังทุกขังทุก์ที่มีความหมายแคบที่สุดเป็นเพียงอาการสืบเนื่องด้านหนึ่งเท่านั้นก็คือทุกข์ที่เป็นเวทนาเรียกชื่อเต็มว่าทุกขเวทนาหรือความรู้สึกทุกได้แก่อาการสืบเนื่องจากทุกขในตรายลักษณ์หรือความรู้สึกที่เกิดขึ้นในบุคคลเนื่องมาจากทุกในตรายลักษณ์นั้นกล่าวคือ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 ไม่ว่าจะเป็นสุขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาก็ตามหมายความว่าเวทนาทุกอย่างจะเป็นทุกขเวทนาก็ดีสุขเวทนาก็ดีอทุกขมสุขเวทนาความรู้สึกไม่ทุกข์ไม่สุขคือเฉยเฉยหรืออุเบกขาเวทนาก็ดีล้วนเป็นทุกข์ในความหมายที่เป็นลักษณะสามัญนั้นทั้งสิ้นทุกในอริยสัจหรือทุกขอริยสัจก็คือสภาวะที่เป็นทุกข์ในไตรลักษณ์นั่นเอง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 โดยเป็นทุกข์ในอริยสัจแต่การที่มันจะกลายเป็นของบีบคั้นคนขึ้นมาได้ mm. ก็เพราะมันเองเป็นสภาวะที่ถูกบีบคั้นโดยเป็นทุกข์ในไตรลักษณ์จึงไม่อาจเป็นไปได้ที่มันจะให้ความสมอยากเต็มแท้แน่จริงแก่คนพูดง่ายๆว่าทุกข์อริยสัจหมายเฉพาะเรื่องของเบญจขันธ์ที่เป็นอุปาทานขันธ์เรียกเป็นศัพท์ว่า ได้แก่ทุกเฉพาะส่วนที่เป็นอินทซียพัทคือเนื่องด้วย ath, อินทรีย์เกี่ยวกับชีวิตไม่รวมถึงทุกที่เป็นอณินเซียพัทคือที่ไม่เนื่องด้วยอินทรีย์ซึ่งเป็นทุกข์ในไตรลักษ์แต่ไม่จัดเป็นทุกขในอริยสัตว์พึงสังเกตว่าทุกกะอริยสัตว์เป็นทุกในไตรลักษ์ด้วยสมุทัยและมรรคก็เป็นทุกขในไตรลักษ์ด้วยโดยเป็นเรื่องตามธรรมดาของธรรมชาติ แต่ไม่เป็นทุกขอริยสัตว์แต่สมุทัยละมัคไม่เป็นทุกขะอริยสัตว์ข้อสังเกตบางอย่างที่จะช่วยให้กำหนดขอบเขตของทุกขในอริยสัตว์ง่ายขึ้นพอประมวลได้ดังนี้ 1. นงทุกขในอริยสัตว์เป็นอินทรียพัดคือเนื่องด้วยอินทรีย์เกี่ยวข้องกับชีวิตเป็นปัญหาสาหรับมนุษย์ไม่รวมถึงอนินทรียพัด ไม่ใช่ทุกในข้อความว่าสัพเพสังขาราทุกขาสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกหรือในข้อความว่ายาตินิจจังตังทุกขังสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกซึ่งหมายถึงทุกในไตร ล, ลักษณ์ที่กินความหมายกว้างขวางครอบคลุมทั้งหมด 2. ทุก์ในอริยสัตว์เป็นเรื่องที่เกิดจากกรรมกิเลสคือเป็นทุกที่เป็นปัญหาของมนุษย์ เกิดจากกิเลสและกรรมของคนใช้สัตว์ตามพระบาลีว่าเกิดจากทุกข์สมุทยัยคือเกิดจากตัณหาและเพิ่งสังเกตตามพุทธพจน์ที่ว่าอุปาทานขันห้าเป็นทุกข์ทุกในอริยสัจเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับปริญญากิจคือตรงกับกิจในอริยสัจข้อที่หนึ่งอันได้แก่ปริญญาอธิบายว่า ปริญญาคือการกำหนดรู้หรือการรู้จักตามสภาพที่มันเป็นเป็นกิจที่มนุษย์จะต้องกระทำต่อทุกข์ในอริยสัจคือการทำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาของตนทุกในอริยสัจจำกัดเฉพาะทุก์ที่เกี่ยวกับกิจคือปริญญานี้เท่านั้น 4. ทุกในอริยสัจเน้นความหมายในแง่ที่ว่าเป็นที่ตั้งแห่งทุก หรือเป็นที่รองรับของทุกที่ใช้ศับบาลีว่าทุกขวัตุตายะไม่เพ่งความหมายในแง่ว่ามีความบีบคั้นกดดันขัดแย้งด้วยการเกิดขึ้นและการเสื่อมสลายที่ใช้ศัพ์บาลีว่าอุทยับพยาปฏิปีละนัตเทนะซึ่งเป็นความหมายที่เต็มเนื้อหาของทุกขในไตรลักษณ์